เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีอาณาจักรแห่งหนึ่งซึ่งปกครองโดยกษัตริย์ผู้โอ้อวด mm hmm. เขาไม่ฟังคำปรึกษาใดๆจากที่ปรึกษาเลยและจะตัดสินใจโดยความคิดอันเพ้อฝันของเขา mm hmm. เขามีบุตรสาวอยู่คนหนึ่งนามว่าทาวาร์เธอฉลาดและหลักแหลมมากแต่ก็เหนื่อยล้ากับวิธีของพ่อเธออยู่เสมอ mm hmm. กฎที่งี่เง่าที่สุดทาให้ผู้คนในอนาณาจักรต่างหัวเราะและงวยงง อืมแครอทพวกนี้เยี่ยมมากเลยว่าไมทาราเออหนูก็ว่างั้นพวกมันอร่อยมากต่อจากนี้ไปข้าขอประกาศให้ทุกคนในอาณาจักรต้องกินเพียงแครอทเท่านั้นอะไรนะคะแต่คนในอาณาจักรต้องไม่มีความสุขแน่เลยโอ้ไม่แน่นอนทาราทั้งอาณาจักรรักข้าพวกเขาจะรักกฎใหม่นี้แต่หลังจากนั้นหนึ่งสัปดาห์กษัตริย์ก็รู้สึกเบื่อที่จะกินแครอททุกวัน อ้อพายแครอทต้มแครอทแครอทแครอททุกที่เลยข้าเบื่อพวกมันงั้นพวกคนอัดเบื่อในกฎเช่นกันจริงไหมคะอืมข้าเห็นด้วยกับเจ้าพ่อจะยกเลิกมันถึงอย่างไรก็ตามประชาชนของพวกเขาก็ไม่มีความสุขในการปกครองเช่นนี้ตอนนี้ในพระราชวังมีผู้หญิงนามหนึ่งชื่อว่าลูเซียอาศัยอยู่แท้จริงแล้วเธอเป็นนางฟ้าถึงแม้จะดูยังสาวแต่เธออายุกว่าพันปีแล้ว ลูเซียมีเพื่อนชื่อว่าสปาร์เกลสปาร์เคลเป็นพิกซี่เธอสดใสและมีความสุขอยู่ในทุ่งดอกไม้ที่งดงามพวกเขาดูแลราชวงศ์มาเป็นเวลานานหลายปีด้วยกันดีจ้ะลูเซียมีข่าวอะไรมารายงานบ้างกษัตริย์ออกกฎใหม่อะไรไหมโอ้สปาร์โกลกษัตริย์ของเราช่างโง่เง่า ถ้าไม่เข้าใจทำไมเขาต้องสร้างกดโง่ๆด้วยกษัตริย์องค์ก่อนเคยดีมากใช่ไหมิล่รใช่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เขาไม่ชอบแครอทเลยใครกำลังหัวเราะอยู่ตรงนั้นโอไม่นะนั้นกษัตริย์ไปแอบเร็วเขาต้องไม่เห็นเจ้าโอ้โนเซียเจ้ากำลังหัวเราะอะไรสวัสดีฟาบาดใช่เออข้ากำลังหัวเราะนี่ สวนแห่ง น, นี้ทําใม้ข้ามีความสุขมากๆเลยล่ะเข้าใจแล้วสวนแห่งนี้เป็นสวนที่เหมาะกับข้าที่สุดทุกๆคนต้องรักมันดอกไม้ที่นี่สวยมากไม่มีสวนใดงดงามกว่าของข้าอีกแล้วโอ้ฝ่าบาทที่จริงดอกไม้นี่เป็นเออคือกษัตริย์โง่เขาจะมา บ, บทเรียนงแก่เจ้ากลิ่นของพวกมันช่างโอ้โหิว โอ้ตาจริงแด่สุขภาพที่ดีของท่านกษัตริย์ประหลาดใจมากแดสุขภาพที่ดีเหรนั่นฟังดูสนโอหูมากทุกๆุกคนหวังจะมีสุขภาพที่ดีเมื่อข้าจามจริงไหมเออข้าเออเห็นไหมเจ้าเห็นด้วยทุกๆคนก็เช่นกันตั้งแต่ข้าเป็นกษัตริย์ทุกคนก็รักกษัตริย <c oughs> ์ข้าขอประกาศว่าทุกๆุครั้งที่ข้าจามทั่วทั้งอาณาจักร ต้องพูดว่าแสตสุขภาพที่ดีของท่านกษัตริย์จากไปด้วยความภูมิใจในตัวเองออสปาเกโคเจ้าทำอะไรลงไปไม่ต้องห่วงลูเซียแค่ได้ผสมชอบชะตาเล็กๆแลงในผงนั่นเราดูเถอะว่าจะเกิดอะไรขึ้นผู้ส่งสารถูกส่งไปทั่วราชอาณาจักรและฝูงชนก็รายล้อมเขาฟังนะทุกคนราชาได้ประกาศกฎใหม่ เมื่อใดก็ตามที่คนในราชวงศ์จามประชาชนทั้งหมดต้องพูดว่า mm. แต่สุขภาพที่ดีของท่านถ้าพวกเจ้าไม่ทำพวกเจ้าต้องโดนลงโทษ mm. กษัตริย์ของเราเป็นอะไรไปถ้าหากอาจได้ยินเจ้าเราต้องทำตามประกาศดังนั้นประชาชนทุกคนในอาณาจักรต้องทำตามทุกครั้งที่กษัตริย์จามเสียงระฆังจะดังขึ้นและผู้คนทั้งหมดก็จะพูด แดะสุภา พ, ภาพที่ทดีของท<อ>่านตอนนี้ในอนาณาจักรยังมีคนเลี้ยงแกะอยู่คนหนึ่งชื่อแอรอนเขาเป็นคนซื่อสัตย์และฉลาดมากเขาไม่เคยฟังหรือว่ายอมรับในเรื่องอะไรก็ตามที่ไม่ยุติธรรมและไม่ถูกต้องวันหนึ่งขณะเขานั่งอยู่นอกบ้านเพื่อนๆได้มาเยี่ยมเขาดูสิตรงนี้มีคนเลี้ยงแกะผู้ซื่อสัตย์แอรอนนั่งอยู่แอรอนให้เราช่วยนะ มากับพวกเราสิเราจะสอนวิชาขโมยโดยไม่มีวันถูกจับได้นาฬิกาทองสักเรือนน่าจะดีกับเจ้านะถึงข้าจะขโมยนาฬิกาทองทั้งหมดบนโลกข้าก็ไม่รู้สึกว่ารวยขึ้นหรอกนายไม่ต้องรู้สึกรวยก็ได้นายไปขโมยมันมาให้พวกเราเราก็รู้สึกรวยได้ใช่ไหม <c oughs> ทันใดนั้นเสียงระฆังในอนาณาจักรก็ดังขึ้นโอ้ เสียงระเบิดของกษัตริย์เขาเช่างจะโมกใหญ่เสจริจริงๆเงียบเถอะนะแค่พูดไปเถอะแด่สุขภาพที่ดีของท่านและสุขภาพที่ดีของท่านอย่างไรก็ตามแอรอนยืนอยู่นิ่งๆและไม่พูดอะไรออกมาเพื่อนเขาสังเกตเห็นทหารจึงสะกิดไปที่เขาแอรอนนายกำลังทำอะไรนี่นายไม่เห็นทหารเหรอข้าเห็นแต่ข้าไม่เห็นเหตุผลที่ทำไมข้าต้องอวยพรกษัตริย์ทุกครั้ง ถ้ามีอะไรที่ข้าเห็นว่ามันรู้สึกว่าง้อข้าก็จะไม่ทำข้าไม่เห็นแม้แต่ตอนเขาจามเลยเงีชชชชยบเงียบแอรอนนายอยากให้ทหารได้ยินนึ่งใหโอ้ไม่สายไปแล้วและเมื่อไอรอนหันไปทหารได้ยินทุกอย่างที่เขาพูดและมองเขาด้วยความโกรธเจ้ากล้าพูดถึงกษัตริย์ได้อย่างไงทาตามที่กษัตริย์สั่งซะไม่งั้น เจ้าต้องถูกนําไปที่พระราชวังเอาเลยข้าไม่กลัวกษัตริย์หรอกและข้าขอปฏิเสธที่จะพูดทหารจึงนําตัวแอรอนมายัางพระราชวังเมื่อกษัตริย์ได้ยินว่าแอรอนพูดอะไรเขารู้สึกโมโหมากเจ้ากล้าที่จะต่อต้านกษัตริย์งั้นเหรอเจ้าไม่สนกดเลยใช่ไหมข้าไม่เคยต่อต้านท่านเลยฝ่าบาทแต่ด้วยความเคารพ ข้ารู้สึกว่ามันตลกที่ต้องวอวอยพรอนแด่สุขภาพของท่านเมื่อข้าไม่เห็นท่านจามเลยตลกงั้นเหรอเจ้าหาว่ากฎของอาณาจักรตลกอย่างงั้นเหรอทำไมเจ้าถึงท่านพ่อดูดอกไม้พวกนี้สิข้าโอ้ชายคนนี้เป็นใครอ่ะชายคนนี้บังอาจไม่เชื่อฟังกฎหมายของพ่อกฎที่ดีที่สุดที่พ่อทำมีคน ที่กล้าขัดคำสั่งของพ่อด้วยเหรอท่านไม่ต้องการให้พ่อของข้ามีสุขภาพดีอย่างนั้นเหรอไม่ใช่แบบนั้นนะฝ่าบาทข้าแค่บอกกริย์ว่ามันดูตลกเอ้านั่นฟังดูนะ่าสนใจนะทันใดนั้นสปาร์เกิลก็ได้ปรากฏตัวขึ้นในดอกไม้ที่ทาร่ากำลังถืออยู่เธ <c oughs> อปล่อยผงวิเศษออกไป และมันลอยเข้าไปในจมูกของทาร่าชูโอ้แดดสุขภาพที่ดีของท่านอร่อยนะเจ้าพูดให้นางแล้วทำไมไม่ยอมพูดให้้า <c oughs> เจ้ากล้าหัวเราะเหรอแต่แต่แต่ข้าไม่ได้หัวเราะพอแล้วเจ้าต้องได้รับโทษทหารนำตัวชายคนนี้โยนเข้าไปในถ้าสิงโต ทหารนําตัวแอรอนไปและจับขย้นเข้าไปในถ้ามันลึกและกลวงมากมันไม่มีทางหนีออกมาเลยแอรอนต้องรอให้สิงโตที่ทรยศเข้ามาในถ้าแต่ว่าแอรอนเร็วมากเขาหยิบเนื้อออกมาสองสามชิ้นที่อยู่ในกระเป๋าเขาเขาทายานอนหลับไว้ในก้อนเนื้อแล้ววางมาลงบนพื้นก่อนที่เขาจะไปซ่อนตัวอยู่ในก้อนหินก้อนใหญ่เมื่อสิงโตเข้ามาในถ้า มันคำรามอย่างน่ากลัวแอรอนที่น่าสงสารกลัวมากแต่สิงโตได้กลิ่นเนื้อและเข้ามากินมันอย่างรวดเร็วใช่แล้วแบบนั้นแหละเจ้าสิงโตกินให้หมดเลยโอ้ไม่นะสิงโตโมโหมากที่มีคนรวนมื้ออาหารของมันมันเห็นแอรอนและคำรามอย่างโกรธจัดโอ้ไม่นะได้ปรดอย่ากินข้า ไม่อย่านะสิงโตหลับลงไปอย่างรวดเร็วมันหลับสงบทั้งคืนและตอนนี้แอรอนก็ปลอดภัยแล้วยังไงก็ตามตอนนี้แอรอนยังคงตื่นตัวอยู่ตลอดเช้าวันรุ่งขึ้นทหารเข้ามาพบแอรอนและตกใจอย่างมากที่เห็นเขามีชีวิตอยู่ในขณะที่สิงโตนอนหลับอยู่อย่างสงบ หารนำตัวเขาไปหากษัตริย์ที่ตกใจมากเมื่อเห็นเขาเจ้าหนีจากสิงโตได้ยังไงและแอรอนก็บอกกษัตริย์ว่าเขาทำสิ่งใดดีมากตอนนี้เจ้าคงเป็นห่วงชีวิตแล้วสินะเจ้าจะวอวยพรแด่สุขภาพข้าหรือยังข้าขอโทษ ด, ด้วยฝ่าบาทแต่ข้ายังคงยืนหยัดในคำพูดเดิมงั้นเจ้าคงต้องถูกโยนลงไปในรังของหมูป่าทหาร นำตัวชายคนนี้ไปแอรอนที่น่าสงสารถูกโยนลงไปในหลุมและไม่นานเมื่อเขามองไปรอบๆเขาพบหมูป่าหลายตัวกำลังเข้ามาตอนนี้แอรอนเริ่มคิดได้เขาหยิบกลวยออกมาและเล่นมันด้วยทํานองที่มีชีวิตชีวาพวกหมูป่าเต้นกันอย่างช่วยไม่ได้พวกมันเต้นตลอดทั้งคืนจนงวยงงและเหนื่อยล้าไปเช้าวันต่อมาเมื่อทหารมาที่หลุม พบว่าแอรอนยังมีชีวิตอยู่พวกเขาประหลาดใจมากที่เห็นหมูป่าเต้นในทํานองของเขาทหารนำตัวเขาไปพบกษัตริย์และรายงานสิ่งที่พวกเขาเห็นเมื่อเจ้าหญิงได้ยินว่าหมูป่าเต้นรำเธอหัวเราะสุดเสียงโอ้ข้าจะทำยังไงดีงั้นก็นดีหากการลงโทษไม่ได้ผลถ้างั้น คงต้องเปลี่ยนเป็นของขวัญซะกษัตริย์นำตัวแอรอนไปยังพระราชวังที่ห่างไกลและพาเข้าไปยังบ้านที่สร้างด้วยทองคำมันเปล่งประกายมากจนแอรอนไม่สามารถละสายตาจากมันได้มันสวยใช่ไปมละ่ะมันจะเป็นของเจ้าหากเจ้ายอมอวยพรแด่ข้าบ้านแห่งทองคำแด่สุขภาพที่ดีของท่านแล่สุขภาพที่ดีของท่าน ไม่ไม่ข้าทำไม่ได้แม้ท่านจะมอบอัญมณีและทองคำทั้งหมดบนโลกมาให้ข้าข้าก็ไม่ยอมรับสินบนกษัตริย์หมดคำที่จะพูดเขาไม่รู้ว่าจะพูดสิ่งใดอีกแล้วโอ้ข้าแพ้แล้วข้าหมดหนทางที่จะเปลี่ยนใจของเจ้าแล้วงั้นก็ดีจนกว่าข้าจะหาทางเพื่อให้เจ้าวอวยพรแด่ข้าได้เจ้าต้องอยู่ในวังภายใต้าการดูแลของข้า จนกว่าเจ้าจะชื่นชมข้าและร้องเพลงที่งดงามนั้นแดกข้าแอรอนรู้สึกดีในการรักตัวเองของกษัตริย์เขาตอบรับข้อเสนอของกษัตริย์ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีทางเลือกอื่นเป็นเวลาหลายเดือนแอรอนอยู่อย่างมีความสุขในพระราชวังเขาพูดคุยกับทุกๆคนในไม่ช้าทุกคนก็รู้ว่าเขาฉลาดเพียงใดกษัตริย์สังเกตแอรอนในวิธีที่เขาพูดในไม่ช้า กษัตริย์ก็เรียนรู้ในอนาณาจักรของเขาเนื่องจากแอรอนเป็นคนเลี้ยงแกะที่อ่อนนอ้อมเขาบอกกษัตริย์เกี่ยวกับปัญหาของผู้คนทั้งหมดข้าเรียนรู้อย่างมากจากเจา้าผู้คนในอนาณาจักรของข้าดูมีความสุขขึ้นในตอนนี้นั่นก็เพราะข้าฟังคําแนะนําของเจา้าเจ้ามาเป็นที่ปรึกษาของราชวงศ์และอยู่ในวังอย่างมีความสุขได้ไหมข้าจะทําตามประสงค์ของท่านฟาบาทและในไม่ช้า ก, กษัตริย์ก็ทรงฉลาดขึ้นเรื่อยๆความเห็นแก่ตัวของเขาเริ่มหายไปทั้งอาณาจักรก็มีความสุขกันมากขึ้นวันหนึ่ง ก, กษัตริย์เห็นแอรอนและทาร่าแอบมองกันด้วยความรักเขารู้ว่าตลอดเวลาที่แอรอนอยู่ที่นี่ทั้งสองตกหลุมรักกันทาร่าลูกรักหากเจ้าต้องการอยู่กับแอรอนข้าจะไม่คัดค้า เขาเป็นผู้ชายที่ฉลาดและข้าจะมีความสุขมากถ้าเจ้าได้แต่งงานกับเขาอ๋อขอบคุณแม่ท่านพ่อข้ารักเขามากๆเลยละ่ะงานแต่งงานถูกจัดขึ้นในวันต่อมาและทุกคนต่างเปลื้มปิติแม้กระทั่งสปาร์เคเลยังเต้นรำในเสียงเพลงสปาร์เคเกลไปแอบเร็วก่อนจะมีคนเห็นเจ้า ไม่มีใครเห็นค้าหรอกลูเซียพวกเขากำลังสนุกไปกับเสียงเพลงเหมือนกับข้ายังไงล่ะในขณะกำลังเต้นผงจากตัวพิกซี่ได้หล่นใส่ราชาทาร่าและแอรอนอ้ไม่ไม่อีกแล้วนะอ้ชิฮชฮชพวกเขามองดูกันและกันอย่างประหลาดใจ แด่สุขภาพที่ดีของเราแด่สุขภาพที่ดีของเราแด่สุขภาพที่ดีของเราและพวกเขาก็หัวเราะออกมาพร้อมกันอย่างมีความสุขอุ๊บส